ในลำดับต่อไป <c oughs> เป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือการเจริญสมาธิภาวนา <c oughs> และวิปัสสนาภาวนา <c oughs> การทำใจให้สงบและใช้สติปัญญาพิจารณาสัางขารส <c oughs> า, า, ารีระร่างกายนี้ให้เห็นตามสภาวะธรรมทีเป็นจริง ในการเพ่งจิตให้สงบก็ดีในการใช้ปัญญาพิจารณากายนี้ออกเป็นส่วนเป็นกองเป็นขันเป็นาธาตุก็ดีทั้งสองประการ น, นี้เป็นเหตุให้จิตเกิดฟ้าสงบและรู้ตามฟวาเป็นจริง ความสงบของจิตที่ได้พิจารณาก็ดีเพ่งก็ดีย่อมเป็นไปต่างๆกันตามแต่ส ต, ติปัญญาความเพียรของบุคคลแต่เพราะอย่างยิ่งคือความตั้งใจถ้าความตั้งใจดีตั้งใจมั่นคงตั้งใจแน่วแน่ โดยมุ่งความปฏิบัติเป็นหลักที่ตั้งพร้อมทั้งขจัดนิวรณ์ความเกียดคร้านความเหมือนหายความไม่อดทนต่างๆออกไปเสียได้เหลือไว้ถึงความตั้งมัน่นความอดทนความต่อสู้ไม่ท้อถอยต่อ อารมณ์ที่เกิดเป็นอกุศลมาขัดฝางเกิดขึ้นก็หาทางแก้ไขอุปมาเหมือนคนลงเรือข้ามฟากก็ดีไปในทะเลก็ดีถ้าเรือนั้นมีรูรั่วตรงไหนก็พยายามอุดพยายามแก้ไขไม่ปล่อยให้เรืออับปาง ฉันใดการภาคเพียนบำเพ็ญทางจิตนี้ก็เหมือนกันอะไรอาคุศลข้อไหนนิวรข้อใดมาทำให้จิตใจท้อถอยเบื่อหน่ายไม่มีความผ้าพเพียนพยายามจะทำใจให้สงบแต่มันไม่สงบกับฟุ้งซ่าน จะทำใจให้เย็นมันกลับร้อนไม่เยือกเย็นจะทำใจให้เกิดสมาธิมันเกิดง่วงเหงาเหานอนเกิดความเบื่อหน่ายเป็นต้นเหล่านี้ถ้าผู้ที่มีความตั้งใจดีจริงๆหรือเอาใจใส่จริงๆตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ไม่ใช่หนทางตันมีทางแก้ไขได้ทั้งสิน้นและสิ่งที่จะแก้ไขในข้อสำคัญก็คือใช้ความเพียรใช้สติปัญญาของตนแก้ไขความเป็นไปในทางลบให้เป็นบวกในทางมืดให้เป็นสว่างในทางจิตที่ไม่เจริญให้เกิดความเจริญ เหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่การใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้ตามความเจริงเพราะจิตของแต่และบุคคลถูกอากุศลคือในวนข้อไหนเขาครอบงำย่อมอาจจะต่างกันไม่เหมือนกันเมื่อบุคคลรู้ตาม จิตตามอารมณ์ที่เกิดกับกจิตของตนว่าจิตของเราถูกนิวรณ์ข้อไหนคือกามฉันหรือพยาบาทหรือทีนมิทะอุทธจักุกุจจะหรือวิจิกิจฉาในแก่ความที่จิตคำหนึ่งถึงรูปเสียงกลิ่นรสโฉตพะอารมณ์ที่น่าใครน่าพอใจเป็นกามฉัน จิตที่คำหนึ่งถึงสิ่งที่ไม่พอใจคนนั้นคนนี้เกิดความอาฆาตพยาบาทหรือโกรธเป็นพยาบาทจิตที่ท้อถอยง่วงนอนง่วงเงาหาวซึมจิตไม่ตื่นมีแต่ซึมมีแต่หลับมีแต่เผลอไม่มีสติ ชื่อว่าทีนมิทะจิตที่ฟุ้งซ่านไม่อยู่นิ่งเปลี่ยนอารมณ์ไปบ่อยๆเป็นอุทธะจักุกุจจะจิตที่ลังเลสงสยัยไม่แน่ใจเป็นวิจิตกิจฉา สภาพของจิตของบุคคลที่จะมีการต่อสู้เอาจริงเอาจังที่ไม่ยอมถอยต่ออากุศลต่างๆที่มาครอบงามจิตใจได้นั้นสิ่งที่สำคัญก็คือศรัทธาในแก่ความเชื่อมั่น ในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้ามีศรัทธาจึงรักษาศีลจึงจเจริญภาวนาศีลก็จเจริญภาวนาก็จเจริญถ้ามีศรัทธาอ่อนแอตธาไม่มั่นคงตธาน้อยศีลก็ไม่มั่นคง ภาวนาคือสมาธิก็ไม่มัน่นคงคือพอประสบอารมณ์อันหนึ่งอันใดขึ้นก็อ่อนแอหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นจิตที่จะเกิดความสงบก็ไม่มีแววขึ้นเกิดเลยความ ร, รู้สึกลึกลงไปในจิตที่จะเกิดความภาคเพียน หาทางแก้ไขให้เกิดขึ้นก็ไม่มีกิจจึงอ่อนแอไปด้วยอาการต่างๆเหมือนไม้เนื้ออ่อนที่ปราทจากแก่นเอาไปทำอะไรเดี๋ยวก็ผุเดี๋ยวก็หักถ้าไม่ผุไม่หักเดี๋ยวมอดก็กิน ใช้งานใช้การไม่ได้ดีเป็นแต่เพียงไม้ชั่วคราวจะทำอะไรก็ต้องใช้เพียงชั่วคราวไม่มั่นคงฉันใดจิตของผู้อ่อนแอนี้ก็เหมือนกันยอมมีสภาพเหมือนไม้เนื้ออ่อนถูกแดดนานหน่อยก็งอ โอฝนหน่อยเนื้อก็ยุย่ยนำไปอยู่ในร่มมอดก็กินสภาพนี้ฉันใดจิตก็ฉันนั้นที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นฟวามีศรัทธาประสาทะมีจิตใจตั้งมั่นในความเชื่อในความเคารพคำสอน มีศีลมีภาวนาเป็นต้นของบุคคลผู้มีศรัทธาดีแล้วก็จะเกิดความตั้งมัน่นความเอาใจใส่ยิ่งเวลามีอุปสรรคต่อจิตยิ่งสนุกคือจะได้ใช้สติปัญญาแก้ไขและจะได้รู้ว่าสติปัญญาของเรา ภูมิความตั้งมั่นของเรานั้นพอจะรับคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาปฏิบัติได้หรือไม่วัดกันเพียงตรงนี้ก็ได้ถ้าหากว่ามีศรัทธามัน่นคง ก็จะเกิดมีความเพียรเมื่อมีความเพียรก็จะใช้สติปัญญาแก้ไขบุคคลผู้เข้ามาบวชในพระศาสนาจะบวชในศาสนาได้ก็ต้องมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธานี้ก็บวชในพระศาสนาไม่ได้บวชแล้วก็อ่อนแอ เขาเรียกว่าอยู่ไม่ได้นานก็พลัดตกจากพระธรรมวินัยคืออยู่ในพระธรรมวินัยนี้ไม่ได้เพราะที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความภาคเพียรจึงไม่เกิดปัญญา พระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งถามในช่างทำล้อรถว่าบางช่างก็ทำล้อรถเสร็จเพียงวันสองวันแต่บางช่างทำล้อรถต้องหกเดือนจึงจะเสร็จล้อหนึ่ง ในช่างกราบทูลว่าช่างที่ทำเสร็จเร็วนั้นนำเนื้อไม้อ่อนออนเนื้อไม้ยังไม่นิ่งยังไม่อยู่ตัวนำมาประกอบเป็นล้อรถไม่ช้ามันก็บิดมันก็คดเดินทางก็ไม่ไม่ยั่งยืนไม่ตรง แปลงไปแปงมาหรือจะเอาลอ้อนั้นมาตั้งไว้เฉยมันก็ล้มเพราะมันไม่ตรงหรือจะกลิ้งลอ้อให้มันไปเองมันก็เลี้ยวรถโคตรไปไม่นานมันก็ล้มส่วนในช่างที่ทำลอ้อเป็นเวลาตั้งหกเดือนเขาย่อมคัดเลือกไม้ ย่อมตากไม้ย่อมหาเนื้อไม้ที่มีเนื้อแนวทางเดียวกันไม่ให้เกิดความบิดโปะตัวพร้อมทั้งไม้แก่นั้นไม้นั้นแก่ได้ระดับพึ่งหรือตากแดดไว้แห้งเหมาะสมดีแล้วจึงมาประกอบด้วยฝีมืออันประนีต มีฟานที่ยงตรงน้ำหนัก่วงลุนของล้อสม่ำเสมอกันทำเสร็จแล้วตั้งอยู่เฉยๆก็ได้กลิ้งไปก็ไม่ล้มใช้นานงานใช้งานก็ทนและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ฉันใดบุคคลผู้มีความเพียร ประกอบด้วยสติปัญญาก็เช่นเดียวกันส่วบุคคลที่มีความอ่อนแอก็เหมือนกับเนื้อไม้อ่อนไม้ที่ยังไม่อยู่ตัวโดยใจฟา ร, ร์มก็สาเหตุมาจากศรัท ธ, ธาไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีศรัทธาโดยสมบูรนั้นแม้ที่อยู่ไกลแสนไกลเขก็อุตส่ามาํำเพงกุศลได้ส่วนคนที่มีศรัทธาไม่สมบูรนั้นแม้ที่อยู่ ใ, ใกลก้ลนน อ, ยอย่างไรก็ไม่สามารถที่มาบำเพ็ญกุศลได้เกิดจากศรัทธาทั้งสิ้นความอดทน ความภาคเพียรความพยายามล้วนแล้วแต่มีมูลฐานมาจากศรัทธาความเชื่อมั่นความเชื่อถือความเชื่ออย่างจริงจังความเชื่ออย่างศีลสละเชื่อแล้วมีความอดทนเชื่อแล้วมีความใจใสสมาธิการภาวนา เป็นธรรมะที่ประณีตเกี่ยวกับจิตโดยตรงจิตนั้นเป็นสภาพที่เบาและวันไหวได้ง่ายถ้าบุคคลไม่มีสติตั้งมั่นเพียงพอสติไม่สามารถจะคุมจิตได้เมื่อเวลาจิตแปรปรวนนึกถึงรูปนึกถึงเสียง นึกถึงกลิ่นนึกถึงรสนึกถึงสัมผัสต่างๆเหล่านั้นแล้วจิตใจโยกครอนพันผวนไปตามอารมณ์นั้นที่น่าใคร่น่าพอใจก็ผันผวนไปทางยีดติดที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ ก็พันผลไปในทางเกลียดชังใจก็แปรปลวนไปด้วยต่างๆคือไม่เป็นกลางไม่เป็นอิสระเมื่อใจยังมีสิ่งกังวลไม่เป็นกลางไม่เป็นอิสระใจนี้ก็ยังฝึกยากคือยังภาวนายากจึงต้องอาศัย ใช้สติปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมบ่อยๆหลายๆอย่างเป็นกุศลรวมอยู่ที่จิตทำให้จิตมีสติปัญญาและธรรมะที่ฟังม า, มากๆฟังบ่อยๆในบางส่วนก็ไปถูกกับจริตทำให้ จิตมีสติปัญญามีความตื่นขึ้นมีความรู้ขึ้นเป็นแสงสว่างขึ้นเมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆเข้าเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงสแสดงว่าฟังธรรมด้วยดีย่อมได้ปัญญา ฟังธรรมหลายๆครั้งย่อมเกิดความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องเพิ่มเติมมากขึ้นเหมือนดังอานิสงส์ที่แห่งการฟังธรรมว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังผู้ฟังได้ยินได้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดให้เข้าใจชัดขึ้นผู้ฟังย่อมมีจิตผ่องแผ้ว ผู้ฟังย่อมขจัดความรังเลสงสัยอารมณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคให้หมดไปเสียได้ผู้ฟังย่อมทามจิตของตนให้เกิดความสงบในความรู้เกิดขึ้นในขณะที่ฟังทมได้พระยะสะกุลระบุต ในฟังอนุบุพิกถาและอริยสัจในครั้งที่สองห่างการเดี๋ยวเดียวครั้งแรกได้ดวงตาเห็นธรรมครั้งที่สองที่พระศาสดาทรงแก่ทรงแสดงแก่บิดาของท่านได้มรุภะรานและอื่นๆ อ, อีกเป็นจำนวนมาก การได้ศึกษาทำปฏิบัติการได้ศึกษาทำได้ยินได้ฟังมากท่านจึงยกย่องผู้นั้นว่าเป็นพระสูตรการได้ยินได้ฟังมากหรือได้ฟังแต่ละครั้งจะให้เกิดประโยชน์ได้จึงต้องมีการตั้งใจฟังด้วยดีคือพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยปัญญาพร้อมด้วยความตั้งใจ กุศลละธรรมคือความดีต่างๆจึงจะเกิดขึ้นกับข้อที่ฟังธรรมนั้นน้ำหอมน้ำอบที่ใส่ขวดใส่ภาชนะปิดผนึกไว้ ยังไม่เปิดกลิ่นมันก็ยังไม่ฟุ้งขึ้นมาฉันใดอิจที่ซึมเศร้าที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญาหมกอยู่กับอารมณ์ของความซึมคือถีนมิทะ แม้จะอยู่ใกล้ชิดฟังธรรมจากเท่าไรก็ตามหาเกิดสติปัญญาไม่ฉันใดเหมือนเช่นเดียวกับน้ำอบน้ำหอมที่ไม่เปิดฝาย่อมไม่ได้กลิ่นทำให้ผู้เป็นเจ้าของไม่ได้รับสัมผัสกลิ่นความชุ่มชื่นแก่กินก็ไม่มีผู้ฟังไม่ประกอบด้วยสติปัญญาและความตั้งใจก็เช่นเดียวกัน คำนึงอยู่แต่ว่าเมื่อไรเราจะหลับเมื่อไหรจะถึงเวลาพักเมื่อไหรจะถึงเวลานอนถ้าคำนึงอยู่อย่างนี้ฐานของถีนมิทะมันก็ตั้งมั่นคือพร้อมที่จะรับอารมณ์ความซึม ความท้อถอยฟวามง่วงเหงาหาวนอนทันทีเพราะขาดศัดทธาขาดสติขาดปัญญาขาดความเพียรดังในกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องระวังและสำรวมพร้อมทั้งหาอุบายในใจของตนถ้าภาวนาพุทโธพุทโธนึกอยู่อย่างเดียว เกิดความง่วงง่ายก็ใช้วิธีการพิจารณาเปลี่ยนจิตที่นึกไว้อยู่เสมอเกษาโลมานขาทันตาพิจารณาธรรมะเหล่านั้นคือส่วนต่างๆของสรีระร่างกายว่าเป็นอย่างนี้เป็นปฏิกูลอย่างนี้ ผมไม่สะไม่สางโสโครกอย่างนี้วันไม่แปลงฟันโสโครกอย่างนี้พิจารณากลับไปกลับมาเพราะจิตที่คิดพิจารณานั้นต้องตื่นอยู่เสมอหรือพิจารณาอสุภาากรรมฐานร่างกายคนเราตายไปแล้ววันหนึ่งสองวันสาวันขึ้นพองอืดเน่าต่อไปก็เขียวซ้ำดำแตก น้ำเลือดําเหลืองไหลออกมาต่อไปก็เละเทะเปลื่นไยด้วยสารีระร่างกายเนื้อเลือดทึ่งสัดทั้งหลายมาตอมกินต่อไปก็เรือแต่กระดูกต่อต่อไปกระดูงนั้นก็ผุพังออกไปอีกจนสลายไปสิน้นน้อมสิ่งเหล่านั้นที่นึกนั้นมาพิจารณาร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน ธาตสี่แตกออกจากกันร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ยังเรียกว่าตายไปต้องหน่า เ, าเปื่อยผุพังเป็นเช่นเดียวกันสภาพเป็นอย่างนี้อบรมจิตนึกขึ้นใช้สติปัญญาขึ้นเป็นเครื่องอบรมจิตเพื่อให้จิตของเรารู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงก็จะเกิดความตื่น ไม่เป็นธาตุของนิวรและจะทำให้เกิดสติปัญญาพิจารณากายนี้อันจะเป็นคุณให้เกิดทั้งความสงบและความรู้ต่อไปเพราะฉะนั้นการใช้สติปัญญาแก้ไขเหตุการณ์วาระจิตของตน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจเอาใจใส่ในการพิจารณานั้นอีกประการหนึ่งเมื่อพิจารณาตามรูปธรรมะดังในกล่าวมาโดยย่อนี้ไม่เป็นผลสำเร็จก็ต้องหาวิธีการอื่นให้เบาลงไปในเช่นนั่งหลับตาก็ลืมตาเสีย เมื่อลืมตาเฉยๆก็ยังมีอาการง่วงอีกก็ให้สวดมนต์สวดมนต์อยู่ในใจและสวดมนต์พิเศษไม่เหมือนกับสวดมนต์ธรรมดาคือจิตสวดมนต์ไม่ใช่ปากสวดมนต์จิตสวดมนต์ก็ต้องมีสติกับสวดมนต์เช่นสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตก็มีสติตามรู้ ที่จิตนึกถึงนะโมตัสสะพระคาวะโตเรื่อยไปหรือสวดอิติปิโสพระคาวะสวดช้าๆและก็มีสติตามรู้ที่จิตสวดม น, นั้นอย่างนี้ก็ชื่อว่าภาวนาคือแก้ไขดัดแปลงเพื่อเอาชนะอกุสลคือนิวรให้ได้ ถ้าตวจช้าชยังไม่สาเร็จก็ตรวจเร็วๆปิติพิโตผากวารังสัมมาสัมพุโทโธนึกอยู่ในใจสติก็เร็วตามไม่เผลอตรวจไปถึงวักไหนก็รู้หยุดตรงไหนก็รู้จะตรวจอีกตรงไหนก็รู้ให้เร็วบ้างให้ช้าบ้างแล้วแต่ที่จะแก้อารมณ์ของเราให้คืนขึ้นให้พ้นจาก ปามเป็นธาตุของนิวรในข้อทีนัมิทะการภาวนาท่านจิงกล่าวว่าผู้ใดใช้สติปัญญาก็รู้ได้เร็วผู้ใดที่ไม่ใช้สติปัญญาภาวนาอย่างเดียวในเมื่ออารมณ์อื่นต่างจากนั้นเกิดขึ้นไม่แก้ไขก็ตกเป็นธาตุของอารมณ์นั้นได้ ความสงบก็จะไม่เกิดมีปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นวิชานามธรรมคือความรู้ได้แก่ธรรมะของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปจงตั้งใจภาวนาที่เคยปฏิบัติมาพุโทโธพุโทโธเฉพาะอย่างยิ่ง นึกถึงภาวนาแล้วพอจิตของเราไหลลงไปทางไหนไหลลงไปทางง่วงนั่นเห็นรู้ทันทีว่าไม่ใช่ทางหยุดทางนั้นเสียปิดทางนั้นเสียต้องนึกถึงอารมณ์ที่ภาวนาแล้วทาจิตใจให้เกิดความแช่มชื่นถ้านึกถึงบทภาวนาแล้วจิตใจแช่มชื่น มีความนึกคิดอย่างไรเปิดทางนั้นให้ฟังๆภาวนาในมุ่งทางอันนั้นให้จิตใจเกิดควาแมแช่นชื่นเว้นไว้แต่ผู้ที่เกิดความ พ, พุ่งสร้างจะต้องระวังที่แนะนำนี้ต้องรู้จักพอสมควรพอทำจิตใจให้ตื่นพ้นจากถีนามิทะ แล้วก็ภาวนาถ้าพิจารณามากไปก็อาจจะกลายเป็นฟุ้งซ่านท้าสติไม่สติปัญญาไม่ทันเพียงพอดังนั้นจึงกล่าวว่าการภาวนาต้องใช้สติปัญญาเข้าประกอบด้วยต่อ น, นี้ไปผมทำใจให้เป็นกลางไม่เกี่ยวข้องไม่วุ่นวายกับอะไรทั้งสิน้นให้สาภาพใจของเราอยู่เป็นกลาง แล้วน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์การนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญในการปฏิบัติเพราะจะทำให้จิตใจหนักแน่นมั่นคงเหมือนกับว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้าการนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนั้นต้องนึกให้ใจเกิดปิติคือความอิ่ม อิ่มใจเกิดขึ้นจึงควรแกการภาวนาถ้าใจยังไม่อิ่มยังไม่มั่นคงอย่าเพิ่งภาวนานึกไปก่อนพิจารณาไปก่อนมีความรู้เรื่องพระพุทธเจ้าอย่างไรก็พิจารณาไปนึกถึงไปหรือชอบใจประวัติของพระพุทธองค์ตอนไหนของภาษาวกตอนไหนก็นึกไปตอนนั้นจนให้ใจเกิดปิติจึงจะพ้นฉีดปลอดภัยจากนิวรณ์ เมื่อใจของเรามั่นคงมีปิติอิ่มดีแล้วก็ตั้งใจภาวนาคือพุทโธพุทโธโดยความมีสติผู้ที่ชํนานาญแล้วก็ปฏิบัติต่อไปภาวนาทุกครั้งว่าพุทโธ ท, ทุกครั้งมีสติรู้อยู่ด้วยผู้ที่มีสติชํนานาญแล้วย่อมรู้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัติจิตใจก็จะสงบ โดยปกติเพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมฝึกฝนจิตของตนให้เกิดความสงบคือสมาธิภาวนาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป